เรื่องเปรตมีรูปเป็นสัมเนรีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยอะกระแตเข่กรุงราชครืครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคลณะนะพักอยู่ที่เขาชิจกูดครันเวลาเช้าพระมหาโมคลณะนะครองอันตรวาสกขถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่าลักษณะมาเถิด พวกเราจะไปบินธบัตในกรุงราชครื่อด้วยกันพระลักษณะรับคําแล้วขณะที่พระหมหาโมคคละณนะกําลังลงจากภูเขาคิ้จกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักณะถามว่าท่านโมคคละณนะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระหมหาโมคคละณนะตอบว่าท่าลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิด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 พระมหาโมคาลาณะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นสัมเนรีเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประกฏเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลูกชนจนมาร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่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 ซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเบตดนั้นเคยเป็นส ม, มเนรีชั่วในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้พระเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่56